บทภาชีนี914การแจกชอบธรรมภิกษุณีสําคัญว่าชอบธรรมคัดค้านต้องอบัตปลาจิตตีการแจกชอบธรรมภิกษุณีไม่แน่ใจคัดค้านต้องอะบาดทุกกฎการแจกชอบธรรมภิกษุณีสําคัญว่าไม่ชอบธรรมคัดค้านไม่ต้องอะบาดการแจกชอบธรรมภิกษุณีสําคัญว่าชอบธรรมคัดค้านต้องระบาดทุกกฎ การแจกไม่ชอบทำพิกษุณีไม่แน่ใจคัดค้านต้องอาบัตทุกกฎการแจกไม่ชอบทำพิกษุณีสำคัญว่าไม่ชอบทำคัดค้านไม่ต้องอาบัต